จะกิมแกงแค่แรงวันแตาวันลมแรงก็จะกินแกงแค่เต่า อ, อีนัยก็มาเจอคนเขา้าแน้ำพริกคัก่วเต่าไอ้ัวมันจะเบาหวานไม่ได้เต่าได้หนึ่งน้ำมันหูหมดได้ <c oughs> ทำไมเมื่อเจ้าจะกินแกงแค่แรงก้นแตาวันลมแรงค็ใหกินแกงแค่เต่ามาเจอไายอันคนเขา้า ก็เพือว่าเปิ้งกับตัวนามาหอนตัวยิ่งน้องนักเอินปากดักนึกจะมีความหมายพี่น้อยนึกวบว่าค่อยตายเมื่อหอนใช้นายที่ต้องวันนี้ไฟ<ม>ังแต่เนื้องามด้วตัวใจมานึกถึงนายตัวไม่เจ้าตัง พี่เขาว่าแปลงกระ บ, บอกว่าจะลองใาใส่ฝ่อพึ่งกลางน้ามอหนึ่งวักเขา้าใส่หายอันนี้น้องไอ้แก้วตนลอยก็คิดว่าใครนึกว่าพี่กับน้องเขาว่ากลางป่าชากินแกงนาแค่ปุ๊กระเตวตั้งฝุ่นตกอายจะเปิ่งบุญจ้องเมื่อหันใส่นายหนัดน้องไอ้ชาทุกชวนยินดีมเมื่ออืนนี่ตาปักนึกจะฝากความฮักกอบกี่นายชาวจี คนวา ง, งานพี่น้องขอบะมีจัดหน้าบะได้ห่านอันเจ้าบ้านนี้จะนอนก็นาลีข้าแม่นี้แลน้ำ น, น้ำจะปั้น บุญตึงบ่ได้มาปะก่อนบ่มีพันละตึงบ่ได้มาหาันเมื่อก่อนเฮาบ่เคยปะก่อนบ่เดียวอายชุ่มดำเป็ี่ยนคนแก่คนเฒ่จาจะนานก็คนเฒ่าคนเฒ่าตึงบ่มีไข้หวง่นนี่จะนานนานจะปอัปงจะเจอปากมีรงเย็นถามเดียวเดี๋ยวมาเจอ เนหนีมาหลอดน้องไว้บ่เมีไปขอดังมางอหัวใจเดาวเยอยากเดือนสิเป็น้ำกันเริ่มไหลนองเดือนสิสองน้ำกันนองเต็มที่อ่ะย่ำข้อเดือนเกียงเดันนีน้ำกันลี่ไหลล้มไหล ล้อนนฮะันป้าเดือนเสี่ยเกี่ยวข้าใไกอลงฮะดือาข้านั่งค้านอนก็ให้มันเลี้คือมอมาได้บีไทยได้ไหมใอ้สวนมาิด่จูนี่เชือกไรไอ้แบ่ไอ้ี่เเชือรอูเจ้าเนาะจะเจ้าูนดก้ความเมื่อกะ้ามแบู้จะจู นทุกยาดมิดย่ำเข้าเดือนตีบเปล่าเปลี่วหัวใจตีไม่แก้วมันบะมวนเข่าใดเดือนแปก็ได้รอไปเดืนอนเกาคืนละเดือนย่ำก็ต้องเดือนสิบหน่ไวบะฮู้มีได้ไถนาผู้เข้าสามาทุกใจข้าเจ้าข้าก็มานั่งเฝ้าว่าพอคอยเดือนสิบเอ็ด็บุ่นยาดฟ้าที่สองกันาซบเศ้าเงาหอยสิบ อันนี้ล้านนจะเอาแฟนจากต่อเอาแบ่อพีไทยเอาเท่บ่อยนู้น ก็เล่อนไหลนอาา้องเขาว่าเดือนชีจร้งก็แห้งคอดเือนนี่ไอ้พี่จะไปกอดไอก็มาคืน่างเงินไอเบำมือยืมมาทุนเอ็มเล่ากือานหนักกระเป๋ า, างเงินไอ้ก็บำมีมหานชัยในน้องเฒ่าลุกจะเป็นผู้เฝ้าป้กปีนายชาวจี คนบ้าบุญไอ้บอมีมาได้ป้าชาวจีต้องในวันนี้ตัวก็ใจนึกจะเอานายเอาเม่เจ้าตั้งตีนน่ะปีเหียง่ะหมอกตา นนน้ำตาอาบหน้าเกณฑสุกทุกมาลัมบากหขวดใจปอบบมีไผ่หมายแม่ดาวข้างฟ้าคนอายบะมีบูนตึงบะได้มาปะก้อนบะมีพันละตึงบะได้มาหา่นงอันอนี้ละอายชุมจันใครอยาใครปั่นนงไว้นักน้องเขาว่ากลางกะปาชากินแกงนะแคโต้ตเป้าเจี้วตังคุน เป็นปกูฟองตับินายคนงั้น <c oughs> บานนี้ชื่อ บ, าอาอบ้านฉันคอบย้างไอตับีพ่อห้างมาได้ชาวป่าปีอา ห, หารใช้อีไนาชาวจีติมใจก่อพ่อใหม่ตามได้อันนี้ประชู ด, ดําน้องบัตตาลอยถ้ามา่อยสายกับเพื่ออีไนร้อนรอนไป ก่อน่ตายผาน้องไว้ล่อนล่อนเปิ้ลวายกับน้องพ่อมันกองซับปากถ้เป็นแว่นแกยวนายก็ปิดใจยาเปิ้ลมาต่างนันตามาจะแหกันมากวันนี้มีกันมีงานก็มาซ้อกันวังได้มาหอมกำปากสร้างนันตาเธอจะแหกันมากมันมาตันปี่น้อยใหญ่ใหญ่มันพักการับนายกับมันใจกับรอง สูมกัพี่น้องบหมืนกองกับปาเส้นแก้วกับน้อยใจยาหาถานามากันล่างว่าใจซาตินเงินทองไม่เป็นของนอกกายกันว่าเฮาบตายหาไทยนะพี่ตอนเลยแม่ไก่ก็ผาถานามาไหลเลี้ยงกระไหญจัดมาล่างว่าบ้าพัดน้องไอ้แก่ตันเลยปากว่าแล้วมันแต่แล้วตีใจบดจะบับไปข้าจะถึงจะบับว่า คนมียังบ้านนั่นมีเมื่อไปแผวเขาอยไปเหยมันละนมันบ้าตายเอาไม่ตายใบคือมันชะคือมันเป็นขี้หาชักสองกองฉามโตฮะไอ้ตัวนใจดำจอหน่อยบ้าตายใบรู้มี้ย <c oughs> ไปโยกกเอางอนขึ้นมาไก่ขาค่อยไปอยู่แม่ช้าเมื่อปีแล้วปีก่อนเทากับมันช่วยกับจยนความชิงมันจะไปเป็นยัง แดงพับเป๊กกะมาชอนกระพับปังเจ้ามะรำมะกรลำเจ้ามื่อหอนมันกระหอนเล็งฉันว่าได้ยินสมนายไปเป็นกู้ภาไกาจะเอาไปเปลี่ยนเจ้าไปนั่งเป้าหัวเติอนเสื้อกันข้ามาแดงแดงมาจึนตีมันเนือน้าวๆาวมาตั้งกิบดอกไม้ใส่จ้าสองสามสีที่พึ่มเกนดีสีเอาหน้าไว้หัน นั่งค้าละแม่ราบโลสางต้องจะใส่เชื่อว่ากหลาไปซ้อแต่วันใ จ, จะตาคู่เขาไปเป็นกู้าจะเอาไปเป็นเจ้าไปนั่งเจ้าหัวเตินจะซื้อกันข้ามาแดงแดงมาจนจะตีกันเงืออนข่าวข่าวมา มาูค่าเตะบพ่อเป็นยังมะเดือพี่น้ยขึนไปอยู่เมืองฝางคนว่าได้ตั๋วค่ากะไม้ว่าจะน่องเขาว่าตังนะประชานนกินแกงน่ะแค่ปุ๊บตีตงฟุ่นตุ๊่ากะเพิงบุญจงอาหารตัวนายนาดน้องเจ้าใจน้องบังใจดีใจมั้งแค่นี้ก็นั่งมาอย่าั่งรอเหรไก่โตมาจังเนี่ยถึงนั้นบุญนั้นของเก่าของลังไอ้สุนดำได้มาปะมาป๊บ ทันตัวตึงประทาเอายุดจะบอกคือนน้องน้ยเขาบาตะกระชนต๊ะกระเปงแม่กระโนกเขาคนเข้าได้เมามันจัางป็นอย่างนี้ กนาเป่าเพื่งโยมมานนง้าเนต่างจะว่าเข้าใจหายาเพีนสูงนัยสินบอกไปตําลาใดมันว่ใจเป่าสีกันว่าหนุมวัยจแมลีมาด้จีน้าไม้กจะที่กับเพื่อมันน้าสีสนบอกไปอีเพินเป่าเสียวมันตกตาลีจอมตอง แก่เป็นอบอกไปก็เจ้าจะ่เป็นอ่เปลาผพืนกันยกมอนึงคุณตั้งจะควักเข้าใจให้ทนว่าไอ้เขาเปลีนมาไปตำหาได้มันมาใจ้เป้าเน่ยมาทาคาดวัวมาท่าจังหางเอาดูนไปไปตามที่ไหนใบจทกจำไฟมเป็นไก่ต้มกระตอต้นกน้ำก้ากระน้ำแปลกกระน้เก้าไปบัดก้าวไจะลองเจ้าลานึกจะเปล่าเจ้ายง กัวตัวบบปรุงไก่ค่ะเพราะว่าคนเข้ามันกะหองบังงามข้ากะจะบอกคือไม่อ้างตังค์แมา่มานั่งส่องตาช่องหน้าข้ากะหัวมันบบปรุงกับอีนคงนนะี่ย <c oughs> คนเข้าจะนั่งเฝ้าคนหนุ่มตีเหียพ่อใจไอ้เป็นคนแบบมะ อ, อมวันนี้ข้ากะมาถามปอ๋อง กบัวตัวบ่าเอาค่ะกบัวมาจูไ อ, ขอเขาเสียมีล่ะเม่ยนเอาดอกจะปังงาที่ข้างต้นข้างเกงปัางงานข้านใต้นอนหอมและนอ์ตีน้ำเงนินในมาลันปากตากบัเจีตอมกรารรักจะไปรับเดียมคันรอมกันละเบ้าเรามีใน วัวใจถึงบบอิ่มบบเบือ่อมหารช่ยน้องน้องใบน้องไอแก้วตาลายเขาได้ขัวไปไว้เชื่อตัวเป็นผ้าตาเชือ่อค่าจะนุ่งถ่านล้งแม่นี้ตัวไอหยังแมงงี้มากะใครตามนัดเป็นแม่ลาอ่อนเตจิง ก, ก, ก่อนก็อยู่น้องน้อง ข้ากับนออออบ้องเ ห, หมือนข้องกับจาำก็กับเฮาก็เฮาเหมือนกัดเข้าก็ผัดควอนมาตายเฮียก่อนมาตื่นจะฮอนกู้แรง กันบ <ider> ันตาอยากกันมาตึงจะหันขุดแรงจะไปฮักไม่แกงชู้มานไอยแขวงห่างอ่ะยนคนขึนไปอยู่บางบางตัวกัดตื้งงามพี่ลี้จ้องกล้องอคะ่ถามเมื่อจัดก่อนจัดหลังเจ้าหวังฟางกินตาในยางข้องจะเอามาเป็นป้อละอ่อนสู่เขากันลูกกลาง แต่งตัวสามา น, นุ่งเสวนอลายตันสมัยเจ้างอย่างเจ้างันจัด่อนแรง่อนกอนินตานไอหยางจาดนี้มันนัง่งความสั่งมางามเก่งเราไอ้ว่ากินข้าวก็นั่งพิ ช, ชิตจ้าตัวจะเป็นกู้ข้าแต่บ่ปเป็นยังบ่ได้ตันไอหยางเขาว่าไอ่โฉมดำบ่าตานกินบ่ต้านดืก อ, อยู่มาึงวันข่ากินน้ำพิ ช, ช มาตายใส่แม่แก้วชีหมุกมนึกใจอม้วนก้นชุกถ้าใครได้ เ, เปเีนผู้ช่าันตัวปอใจมันติดนคุณที่บางงามก็หาผู้ตามมันไอหยังมาเนี่ยหลักล้าพี่น้อยเป็นชบเปลนปากบอกคือแม่ปังปะฮอนุปปอดใจก็เมาไปก็เมาแม่ก็แค่ เ, เหมือนก็ยังมาที่เมาไปเป็ี่ยนวอ วัดละนกียงวัดลงนาปายงไปพี่กันว่างามเหลือนี่เตงบานมีนยากันงามเหลือนายเข้าไปแล้วอ้น้องลุงไวจะว่าไปตอนกุ่มข้าไปสับกลัมาแล้วน้แกตาลูกสองแวบานแมตาปุ่มจันปะต้องลองคุ้มตึ้ไผบะเกิ้พี่อายสมมาด้เจ้แก้วะ ตีตัวลงเนื้นอว่าจ้างไปพี่กันมางานเรือนที่ตึ่งบะหันมินในยานั่งแง่เรือ น, นตึ้งเข่าไปน้องนุ้ยไว้จะว่าพ่อพระเจ้าที่ป้าจะมาาที่แม่จะมาเมากันว่ามันบะเอาข้าเมาแต่แตงป้าได้ตึ้งบะเมือวันนี้นะ นอง ล, งลง้ำปูนกระจังวัดกระจียงหม่เชนที่บา ง, ง ง, งามงนมองไอตาไดเขราว่าหน้ามันอนยุมันสสติดถูกใสกะไฟตังใบกินเหมือนกินเ้งคอยหันหลังข้างตัวพ่อใจโคบะหาคาใจ อ, าาอจยอาาอู่ที่วัดโต๊ะแปงห น, น้าผ่านมันตากข้อหน้าแว่นมันเยาว์นี่คื่อแดงมันมุยเงีมนานต๊ะๆๆๆๆ อนีไอ้โฉมดามันเจ้าบ้านตาผูจะปั่นตั้มผู้ผู้ตัวเน็เน็้อเหือนกันปีไม่แก้วเดือนจเจ้าชันปะตองเล่นมาบ้าเขาทำแหนชูนนหัวแดงเปียกต้องแกงตักจะมันว่าปากแห้งตึงบัเป้าเด็กปอกตึงหูแหลนที่น้อยเลี่ยงนติมตัวกานงำจนเราห่จะเตะเตี้ยไปเหมนกับเชมอกดอกเงมาตะกี้ีลุกเขายัง เวียงตัวบักข้าบดดาจั่งซอดใจเอ็นสมสลายนี่จะงามเหลือปก้นตกบานเสป้งสเช้ตอจะเศร้าตึงฟังตึ้งอายุว่าคุณดีวหรือ้านวดหลังมืพี่ายสมดำไม่จะงามจอนหล่อกระเจ็เตรียมไปมากะยอดอกเียงตะกี้ก่อนงที่รถเข่าเวียงข้านักก็มาเพียงในเล้งมาเต้าออ กามนุ่งซายลน้เหมือนจะตายสนำม่าเย็นลราบรลุป่อใจหองบางงามเชี่งข้างเขาว่าชมช่วงข้างมันเหมือนกอนชนะลูน่องนายหัวประมุกูู้ยยูจ่าเตะเตี้ยไปเหมือนข่มุกตากแดด เพราะว่าเจ้าเราจะเอาเมียกระเจ้ายงยาเมืองส่องกามากงต้องแอบที่ภูมมันไอย่างแอ็ดแฝดที่มูกแฝดแถวตรงกมนแเจี๊ยบถ <c oughs> ่วงโล่มันแฝดตรกับเจียบถ่วไงกะตัดภูมกับเป็นบักเ่ฮากกางงาม ปากไอ้กะกว้างมาตันปากชก่านขาวกับบาขาวดอมกับดอมเสียที่มันไปเชียวมันนึงนุ่งไว้มาบอกว่าดบบปูนที่ดื่มแน่เหมือนจีนเฮมขึ้นอย่างเช้าเช่าแมนมาแน่มาเงี้ยนะจีนเลนอ๊ บเบากระเจ้ากระเดียวว่าภรยาแต่งตัวจะมาันส่ำใหม่เดี่ยวขึ้นผ่านซอ น, นี่เอาหันเละนวดนวดรัฐบาลโปร่งงานประจําปีจะเอาไอ้พี่ยืนสูงไปประกวดกรรมาการจะอ้างจะอวดว่าจะได้ดีหนึ่งใจง่ายที่สอมาให้ ไดนั้นได้จึงดังคงยิ่กัเยียวว่าคันชิดที่เป็่นพระเอกัมานั่งกลางทางสารครอบย่างที่นี่มาพ่อสซ่ผมอย่างสมบัติเมธานีเป็นบาห้าหน้าหีมหาป้อาเจมาถืคก็เชนที่บางงามมันตะค้องก็าลัวว่าพ่อตั้งหน้าเหมือนกันมาช่าเพลงปอมตัวได้เป็นคุนักเริง เพราะปูเป็นหัวมันหัวนเอี้ยงเพราะว่าหิมปากมาการบอกน้าปูเอวไอตะอูมาการปุยชายเมียงนายนคนงามยังบบพ่อเชียงเชียงเขาหูดังมันก็เลี่ยมันหนุกดาวปูละครั <c oughs> ้ง น, นี้คั้ง น, นี้เลยบบกูไจะสดด <c oughs> อบูดังมันเ็เาห้างปูโมกันโคไลน้องที่ปูไอตาต้องมาการเมากินเอือง ใจให้มันติดเนื้อกันบูงใส่เข้ากระป๋งตัดเตียงบ t าบ่เตี้ยวไอ้ชงตงามตังอดอมือฝังต้องการไว้จืงกินและนอนกัน่างมตายลกะจังมันเจ้า้ยินตึกเมื่อกมตายจังยัง นองไว้กับพี ka ่น้อยสมดำงามกะ้างแต่มะงามกะแจงันม่ะตัวเขาเป็น่อดใจนุ่งผ้ามันขนมปนเขาแจงนั่งเคื่อนกันก้กนหลางแงมอะไรจะจูงไปแล้วก่จงจ้จงจ้วันว่างามตายนะตจ้างมันเต็มได้อินตึกเมื่อบางงามตายจางยังันม่าได่พี่ไ น้ไงวัสาวจีน้าอกน้ำใจก็รมันดำอย่างมีสัตเสือหืดสักสีกุ้มปิดเดแปดแล้วพอเฉยที่าออบาอบองอํามันตะขอนกันออบปลาถัวบ้าพอตั้งหน้ามันกันมาใช่กองนงไไว้พออายตังหลังคุณดีจังเหมือนกันหุ่นหลกลุกไปเอี่ยวให้อีแก้วเป็นลูกเน่ยป่าหุดบ้านอีชาเป็นหลานเ่าป กูดังไอตางงงไอนะ่งบหัวโบกคบมันม่อเหม่กาตุ้เพาะว่าไอสวงดำมันเจ้าบ้านตคกูจะปั่นคาผู้ัวนายเน็้อเนืงินการปีไม่แก้วดึจีบเขาเล่นตะอนมช่าวาตะขี้อกับปร่มตะยุมตะเจอุ้ยกขโยตะุยตะมีช่วยตะตาจีน มันนีน้ดวยลาจะเอา นี้รับรองมาใจฟองน้ำไอชวนร่านก็พ่อทำปั๊บได้นึกจะคบเขาก็ไอข้าจะมาเป็นยังเผาก็เผาเมือนกันเตาก็ทำเมื่อหันชาวงามาข้าก็ใครได้เบาปีน่างันตึงคนแบบม้เร่ง่อมันบบตึงตีนชายใครโน่นตันืนะ่ะนั่ก็บานไยตานตี้ใคได้มันใคไมตีนแม้ มันเงียไันวไดิม่ะอปะลุะ ง, <c oughs> ลงลาปูนกระจังบักระจังใหม่ประคุีใช้ีนายคุ ง, งามปูนตักตักจะไปดอกเชียงทา น, นออหยองมางามเรือองไอตันอยูกามพูดพูดนตาินกระเตหอยเขาว่านืา้อลาหลเป็นว่าผู้ใจตื้นต <c oughs> ันจรง ทิพย์ขึของข้าเจ้าการไลมันมาหากระจายตเปิงตูปพอพ่อฮูดังนี่มันก็วัดกูตาทุกวงหมนกับโก้ใส่ลกมาพิษใหญ่เออีแม่ก็อีพ่อที่มาแบ่งลูกสาวเบาหวานงาอน้องน้อวยาเจ้าเาว่าจังวา่ า, าพ่อวัยผู้งานอีพ่อมีสอตัวตัวนึงไป ต่อสารีแปลตัวไปคุนนังหวนนเข้า บ, าบ้างที่ป้าจะมีแม่แปลงห้าบะตรตันงามฟังไปลรื่ยไหงานหวดถึงฟังถึงฟัง <c oughs> จำไอ้เป้าแถวกระนองแก้วละโว้กะตงุงมันแบบว่าต้มแก้วนองคงจะฮอค่าว่าปัญ้าคุณคุณชันระช็อกหา่างดวงบ้านเวนบ้าน บ, าบอก วันนี้ได้มาหานคุณงามให้สูงดำค้าเขาว่าเขาต่อมาเจอสาวรูปโดนาเขาเป็นตัวป้ออีนายชักวางชงวะถ้าเ็นตป้อมันจะว่ามาต้องถ้าเป็นตัวป้อเป็นจนตายนั่นัหละบรรดาแม่บุญในมาปะตทว้อไปเยอะลน่นตัวอยกน้าอุ๊บแมตะคลายหัวน้องโยกปีนไปผาเนื้อใหญ่ฝ่ลวงจะเล่นฟ้ามาชัตาพอ ลูกหล่อเต๋อมาดาเกลียดจมูมือชามาเต๋อตาแม่ตเจ้าจิ้มเลนองก็ใบหงามแล้วบ่อยางตั้กากบ่พ่อจิ้มปากมาก็บอกน้ำย่างบ่พอตั้งซองใบหูแม่ตอยจุมปูบักกรเฮ็ดกระจัง ก็เป็นเจ้าซ้อพ่อเอ็นคอมายสเกือก่องน้ำซูนยังบะ่อกกระดูกขี้ข้างอย่างที่คันใดอยาก้ำซ้อจะไปดีจะไปงยมละบะยังตะกาบพ่อยิ้มปากเหมือนบอกน้ำผูยังละบะพอตั้งสองใบหูสี่จูบูรีพ่อมันเล็ดกระดังอีน้องน้องไว้ข้าบางงาน มาดีเป็นชาวจีดึงได้คืนได้อ้าตีตัวกระยุบมาอกนายกระชวดทาหารกระอวดว่าอีนายงามคำกี่อยตัตขู่มาการบวงพัดจันทรสองตานินดำเหมือนกันแช่งก้วเข้าปากตัวกออากอ้อนเหมือนกันมอญบัดแดงแก้มกระแดงเหมือ น, นนยหน้าบัดเป้ามาชับ ทหารก็ได้ว่าแม่พาเจ้าเลี่ยมใดมันก็เดนถิ่นามาช่วยใบปูนี่นาช่วยใบปูใจร้ายเนี่ยนี่เปนใจดีน้มูน้ำมูยาวจะบอกคือนน้องรักเอิญตัดตักไอหยังมังงามเหลือเกินตีเหี้ยพอใจบ่หมีเงินจะไปลงก็ตัวบัดไส้ถูกกามพืดปพื้ไตะหินตะเกียงขั้วจะนีไปตายไปชงข้งชังของ เมื่นการใครใดกำเนิดใครจับสันขึ้นขานซซมันนั่งถามว่าเอากันบอกบัวจงต้องจะเอาเมียจำต้องจึงมาเลื่อนมารอเดือนเก้าเดือนแปดถ้าบัวคิดอาจกันบักวัวคิดน จะปานายไปเล่นกีแน่จะเตงทีออดจะแตงที่เอ็ดหม่จะแฟนกาแกมกับมาจ้าโอ้เออก็อก บ, บอกว่าพี่อาตพีา่าเขาเกล้มปั่มขาเขางอมเข้าไปหัวข้ามาวัวผพานางานตำนวจยอดยับไปไว็วไรเลื้นจำหัวมาได้อยู่ก็ปพี่นายคน ง, งามมันจะนับปากเกลนตอนพี่ออกแห่ช่องปองแล น, น้องแต่อเองใจเนี่ เที่ยงมะทกวัวล้นจำมากันว่าสจะมาสีหำมานั่งกางามาว่วยอย่างสักอย่างเพราะว่านุ่ไวหัวใจเจ้ามนมากระูมยอมเสียงอย่างเงันนะนั่งพามันกันหลายบ้านสู่ไปขววมันอย่างตาลวัยงวอันนี้ว่าขไปตวยกัน เรื่องอย้อยเรื่องต้อนี่มันเห็นเร่งเล็กถ้าจะเต็กสะมิกบัดท่าขัวตะลางชูบัดท่าขวาัวตั้งเจ้าพ น, นักงานเจ้ามานั่งตามไปกันเจ้าคัานจนว่าใครได้ยังบมาไหลมาหาจะเป็กม้ปามป้าไก่เอาตังใดกันนย จะไปล้อหัวจ ะ, จะไตีไฟใต้น้ำจะไปตะปน้ามันจะโคกเข้าไปเฮพี่น้อยเอาขาไก่ข า, ขาจะว่าอย่างใดหัวนายน้องใจริงเข้ากระจางปักเกยวหมากกระจังปูนเจ้าลำปูนใคอยู่เชียงใหม่ผิวอีนัมันผิเป่เอเฮงให้ถ้าจะลองโคกเขาาก้าไปมันจะโงกาวแบปึ๊ พอควรเขาว่าคุณชูมันเมาตายให้ได้ลูกเพื่อนนอนไงมันไอหยังมันยาก่ยไอยังมาปีนเช็บปินตาตามจริงแล้วมันอยาไปปินยังเดินมาใกล้ๆกล้วยไม่ตามต้อง่าไงรออ้แร่เก่าปวัวทาใจอยากทำซ้ำ บอกน้ำผูยังละบอตั้งสองไปหูสี่ชููรีกว่ามันเฮ็ด